سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله م ف ت ي ن ا في الدين الله م ف ت ي ن ا في الدين الله م ف ت ي ن ا في الدين الحمد لله สุรัตุลจินเรายังอยู่ในช่วงการเล่าเรื่องของบรรดาจินพยายามที่จะถอดบทเรียนจากเรื่องราวของพวกจินเหล่านี้นะครับฉลองอัลฮัมดุลิลลา์ที่อัลลอฮตรั א ลาห์อล่า้เราฟัง เรื่องราวต่างๆที่ถ้าสมมติว่าไม่มีอัลกุรอานเราก็จะไม่รู้เรื่องพวกนี้เราจะไม่ได้รับบทเรียนบางทีถ้าเราไม่รู้เรื่องยีนเลยถ้าอัลลอฮฺไม่เล่าให้เราฟังนะครับหรือท่านน บ, บีสุลต่าไม่เล่าให้เราฟังลองลองจินตนาการดูว่า เวลาที่เราได้พบเห็นสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องราวแปลกๆบางทีเราอาจจะตั้งข้อสงสัยเราอาจจะคล้อยตามคนที่เอาเรื่องแปลกๆพวกนี้มาโชว์ให้เราดูใช่ไหมครับเรื่องบางอย่างที่คนที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงเนี่ยเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องแปลก มายากลเรื่องอะไรอีกนะคนบินได้คนเดินบนน้ำได้นั่นแปลกๆที่เราเห็นที่เขาเอามาโชว์กันนะนะบางประเทศนี้เขาจะมีตลาดตลาดเอาไว้โชว์โชว์เรื่องแปลกโชว์ของแปลกหรือบ้านเราก็มีเทศกาลไปเลยนะซึ่งเพิ่งผ่านไปไม่กี่เดือนที่เขาเสียบนู่นเสียบนี่ คือถ้าเราไม่รู้ว่ามันมีอีกอีกโลกหนึ่งพร้อมๆกับโลกมนุษย์เนี่ยเราอาจจะอธิบายเหมือนกับที่เขาที่เขาอาจจะบางทีเราอาจจะหนาวสุดๆแหละ illah, เราอาจจะเชื่อเหมือนกับที่คนเหล่านั้นเชื่อว่ามันเป็นอภินนหารว่ามันเป็นอิทธิฤทธิ์ว่ามันเป็นเรื่องของนะเทพหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มัน ที่มันมีกลิ่นอายของการตั้งภาคกการกุฟรการชริกต่อ Allah Subhanahu wa Taala แต่นี่ a l h มดุล l i เรามีข้อเท็จจริงจาก Allah เรามีคำอธิบายจากพระดำรัสของ Allah เกี่ยวกับโลกของจินเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมาอภินิหารระดับไหน เราก็หัวเราะได้เรื่องธรรมดาไม่มีอะไรเลยนะเป็นเรื่องปกติไม่ใช่อภินิหารใดๆทั้งสิ้นเป็นเรื่องของของจินเห็นไหมฮะจะไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกกลัวไม่ต้องรู้สึกอินกับไอการแสดงของสมุนไชตอนเหล่านั้นนะอัลกุบิลละอิมร์ยะเลยทำดีละนะที่เรามีเรื่องพวกนี้ให้เราให้เราได้เรียน มีสุรัตุลจินแล้วก็สุรัตอื่นๆที่พูดถึงแล้วก็ฮัตติสของท่านนาบีที่พูดถึงลักษณะของยินเป็นยังไงเนี่ยเราเรียนพวกนี้เราก็จะนะพอเราไปเห็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงต่อหน้าเราเราก็รู้สึกนะมีทางออกมีคําอธิบายที่เราไม่ไม่ต้องไปรู้สึกขยาดหรือเกรงเกรงกลัวส่วนใหญ่แล้วไอ้คนที่รู้สึกเกรงกลัว หรือรู้สึกทึ่งกับของพวกนี้นั่นจ๋าว่าเขาไม่ได้ไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงใ น, นในคําสอนของอัลลอฮ์สุบฮาน a l t o ต e t h e r เกี่ยวกับจินนะเขาก็เลยเชื่อโอ้นั่นเป็นเทพนั่นลงมาเดี๋ยวของแม่กวนอิมเดี๋ยวอะไรนะเยอะแ ย, ยะไปหมดเลยนะเราบอกแล้วอัสมาอ้นสัมไมทุมูฮะในสุลตูนนะที่เราเรียนว่าตั้งห้าตัวเนี่ยก็เป็นชื่อที่เขาตั้งกันนะอัลลอฮฺบิลละห์มันได้เลยเพราะฉะนั้น อันนี้เป็นให้คุณอย่างหนึง่งนะที่อัลลอฮฺสุบไบาะห์ุตะลาต้องการให้เราเรียนรู้จากจินนะครับจากพี่น้องของเราที่เป็นจินอัลตะลาประกาศชัดเจนว่ามาขลักตุลจินนะวัลินซะอิลลัยยะบุดูน ah เรื่องพวกนี้เราก็ต้องเรียนนะถ้าเราไม่เรียนบางทีเราอาจจะตกหลุมพรางของการหลอกลวงที่ ไม่ทันนะเราไม่ทันความรู้ของเราไม่ทันนะยาเฮเลียแบบแบบเนี้ยยาเฮเลียแบบงมงายอย่างเงี้ยมันไม่ยอมหมดอายุสักทีไม่รู้เป็นอะไรนะเหมือนมันไม่ยอมหมดอายุยาเฮเลียแบบชิริกยาเฮเลียแบบเนี้ยตั้งแต่ยุคสมัยนู้นมาจนกระทั่งยุคของเราก็ยังมีให้กินอยู่นะหรือว่ามันหมดอายุไปแล้วมันบูดไปแล้วแต่คนก็ยังนึกว่ามันยังไม่หมดอายุยังใช้อยู่ ละเขาเราเร า, า, าปวดใจเราเป็นเรมาดูกันอีกนะครับวันนี้ว่ามีเรื่องอะไรอีกที่พวกจินเหล่านี้กําลังจะเล่าให้เราฟังเราจะได้กระจางสักทีจะได้ไม่ต้องตกเป็นเป็นเหยื่อของพวกมันนะครับของพวกที่เป็นจินกาเฟรหรือเป็นลูกสมุนของอิบลีสที่พยายามจะหลอกลวงลูกหลานอาดัมให้ออกจากเส้นทางหรือหนทางของอัลลอฮ์สุบฮานะอูตะลาที่เทียมตรง อายะที่แปดครับวันนี้อัลลฮ์นะเริ่มอายะที่แปดอบูุบิลลาฮิมินชชัยตนรจิ وأنلمسن َََََّْ السماء َّ فوجدناها ََ م ل ِ ئ ْ ح َ ر س ً ا شديدا َ وشوبا وأنا َ وأ كنا نقعد ُ منها َِْ مقاعد للسم فمَنْ ي َ س ْ ت َ م ِ ع ِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ ش ِ ه َ ا ب َ وأصداء وأننا لا ندري ش ر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم راشدا وأننا من الصالحون ومنا دون ذلك คُณน่าประ ا ัِใَดัَ่ د ด <ت ص في ق> ا وأنناظنناألننعجزاللهفيالأرض َ <ت ص في ق> วَนَัَน ا ل َจะเจาَเขาใหَร ا บْาَแَะวันนั้นเِื ن อเราได้ยินคำสั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 و ا ل นี่เป็นสิ่งที่พวกจินมาเล่าให้ฟังนะครับว่าพวกเราพวกจินทั้งหลายได้พยายามปีนขึ้นสู่ฟากฟ้าเพื่อรับฟังคำพูดของผู้ที่อยู่บนนั้นแล้วเราก็พบว่ามีมาลาอิกามัดมาที่เฝ้าปกป้องมันอยู่ และมีดวงไฟที่เผาไหม้ที่ใช้โยนแก่ผู้ที่พยายามจะเข้าใกล้มันอะไรครับนี่เป็นเรื่องอะไรนี่เป็นเขาเรียกว่างานของพวกจินแต่และ ว, วันนี่ยินทําอะไรบ้างนอกจากจะใช้ชีวิตหรือใช้ปกติแล้วเนี่ยอันนี้เป็นอีกหนึ่งภารกิจหรือเป็นอีกหนึ่งเขาจะเราจะเรียกว่าอะไรเป็นอีกหนึ่งงานอดิเรกไหมบางทีอาจจะไม่ใช่งานอดิเรกอาจจะเป็นงานหลักด้วยซ้ํา เพราะจินเนี่ยมันมีสัปดาหที่แล้วเราบอกแล้วว่ายินเนี่ยมันจะมีพันธสัญญากับมนุษย์บางพวกมีธุรกิจมีบิสเนสกับมนุษย์บางพวกฮะใช่ไหมจินมันพึ่งพาซึ่งกันและกันมันเป็นนายหน้าให้กับพวกหมอดูฮะเป็นเอเจนต์ <laughs> เป็นดีลเลอร์ฮะให้กับพวกสยศาสตร์ทั้งหลายก็เลย เอาข้อมูลจากไหนอ่าเอาข้อมูลมาจากฟากฟ้านะพวกนี้เนี่ยอัลลอฮนและมนก่อนหน้าที่จะมีท่านนาบีมูฮัมหมัดลลัลสลัลลัมถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีเนี่ยพวกนี้เนี่ยสบายใจนะครับทำงานแบบสบายใจก็คือขึ้นลงขึ้นลงไปหาข้อมูลจากท้องฟ้าอาข้อมูลจากท้องฟ้าก็คือเวลาที่อัลลอฮฺสมมุะลกแตตหนบีเนี่ว่ายนะครับานรสายนาูา้องาเรียนรู้วาวา วิชาตาฮีทที่พูดถึงการกําหนดของล่องสุภ า, าลักษณะนะครับที่มันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับที่บอกว่าวักลณ ะ, ะกำหนดจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่พระองค์ทรงสร้างท้องฟ้านี่พระองค์ก็กําหนดมาหมดแล้วเขาเรียกว่ากำหนดมาทั้งทั้งทั้งระบบเนี่ยกำหนดมาเสร็จแล้วแต่มันจะมีการกําหนดแบบรายวันรายเดือนรายสัปดาห์และก็รายปีด้วยไอ้กาหนด รายเดือนรายสัปดาห์รายปีเราเรียกว่าอาละลกัตตหมายถึงว่าอนุมัติอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพวกยินพวกนี้เนี่ยมันก็จะไปมันก็จะไปไปขโมยขโมยดูว่าอัลลอฮฺอนุมัติอะไรบ้างเห็น ว, ว่าไหมฮะเพื่อที่จะเอาข่าวพวกนี้มาบอกกับกับเอ่อคนที่จ้างมันหรือว่าคนที่เป็นอะไรก็ว่าไปนี่คืองานของมันว่าอันนะ้หน้ากหน้านี้ แต่พอมาถึงยุค ข, ของท่านนะบบีมุฮัมมัดสุลต์สัลลัมปรากฏว่าพอจะขึ้นไปนะฟาวาจัดวา่ดามุลิอัตฮารันชดีดันปรากฏว่าไม่เหมือนเดิมนะถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็คือไอ้พวกที่ค้าขายต่างแดนน่ะพวกค้าขายแถวแถวชายแดนใช่ไหมพอมารอบนี้นี่ทำไมอมมอมันออมมอมมันเข้มงวดวะ ทำไมมันปิดด่านอะไรอย่างเงี้ยมันตรวจเข้มเหลือเกินไม่เหมือนกับก่อนหน้านี้ในภาพออกไหมฮะนะฮารัสันก็คือมีมีคนคุมชดีดันเข้มคุมเข้มเลยก็คือไม่ไม่สามารถที่จะเจาะทะลุทำอะไรไม่ได้แล้วมาเฟียพวกนี้ทำอะไรไม่ได้มมุลีอัตฮารัสันชัดดีดัน ว่าชุฮบนอกจากจะมีคนเฝ้าผู้คุมยามที่เฝ้าท้องฟ้าในโลกชั้นดุนยาเนี่ยจะเข้มงวดแล้วยังมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าช uh ุฮบอชุฮูเบนี่มาจากคำว่าชิฮาบชิฮาบเป็นเอกพจน์นะครับชิฮาบก็คือดวงไฟดวงไฟพวกนี้ในบางทัศซีลมีบางรียักัที่บอกว่าหมายถึงดวงดาวที่อลัลลอฮฺสุบไบตาลา หออาจจะเป็นอกกาบะหรืออะไรก็แล้วแต่มีในท a ของอุมุลกนะครับที่บอกว่าเป็นะดิษของอุอับบาสนะครับท่านได้บอกว่า ب ي า م ا ن ل و ل الله ص الله عليه وسلم إذ رمى بنجم ف ا س ت ن ะนทีหรอว่ามานั่งอยู่ับวนนบอีศลลาห์อุสลัมยูคร้งนั่นปรากฏว่ามีมีดวงเขาเรียกว่าอะไรนะดาวอะไรนะที่มัน อ่ามัน <us Egg ly> ลงมาเนี่ยศาสนบีก็เลยถามว่าพวกเจ้าพวกเจ้าคิดว่ามันคืออะไรหรือพวกเจ้าพวกเจ้าเคยเชื่อว่ามันคืออะไรในยาฮเลียสมัยยาฮิเลียเนี่ยคนอาหรับเองก็จะมีความเชื่อมกั็บาะคเราเคยคิดว่าเวลาที่มีเหตุการณ์ดาวตกอะไรแบบนี้เนี่ยแสดงว่าต้องมี ผู้หลักคนใหญ่คนโตเกิดขึ้นมีอะไรมาจุติอ่านะไหมนี่ไงโอเคดะของเยอเลียไม่หมดอายุโอเคดะนี้ไม่หมดอายุมีใครมาจุติบนโลกอะไรประมาณ น, นี้นี่คือความเชื่อของช า, ชาวเยงเนี้ยเอ้ยอย่ามูตัวอัซีนหรือมีคนตายนะคนคนที่ยิ่งใหญ่ในโลกเนี้ยตายไปสักคนหนึ่งท่านอบีุลเลาบอกว่าไลส์แกดะเล็กไม่ใช่อย่างนั้น ไอเราที่เห็นที่เห็นดาวตกดาวอะไรก็แล้วไม่ใช่ที่ว่ามีคนมาเกิดหรือว่ามีคนมาตายไม่ใช่นะครับวะแลคินอัลลอฮ์อิจ า, ากััลอัมราฟิชเมาวะจาครัตมาบัลฮัดดิก็คือฮัดดิสทนยาวมากแต่ท่านอามีก็บอกว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาที่อัลลอฮ์ทรงแต่ละก่อเลาะก็คือกําหนดอนุมัติอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ให้มันเกิดขึ้นในโลกดุนยาเนี่ยพวกจินมันจะไปขโมยฟัง พอมันจะขโมยเนี่ยแราลาดก็เลยส่งดาพวกนี้ไฟพวกนี้มามาทำลานั่นเองนะครับ่าอายะ ท, ทีกาก็เกี่ยวข้องกับอายะ ท, ทิบัดนะนนนนก่อนหน้านี้เราเคยนั่งเหมือนเอเย่นเลยนะเหมือนกับเหมือนพวกบรรดาถ้าใครไปชายแดนนี่จะเห็นภาพชัดเลยชายแดนฝั่งไทยกับชายแดนฝั่ง นะฝั่งประเทศเพื่อนบ้านก็จะมีบรรดาพวกพวกเขาเรียกว่าพวกรับพวกบริการรถรับส่งพวกแท็กซี่ <c oughs> ก็จะนั่งกันเป็นคิวอะไรเงี้ยใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันหมายถึงว่าสมัยก่อนพวกชายตอนพวกนี้ก็จะมีที่ของมันบนบนฟ้านั่งอยู่เวลาที่มีข่าวมาโอ้รีบกรูกันเข้าไปที่จะที่จะไปเอาข่าวนั้นมานะครับ อัเนี่ยว่าและว่าเราคุนนั่งนั่ง ه ากน ا ้นนั่งจานั้นนั่งจากนั้นั่งจากนั้นนั่งจากนันนักน้น่นนากน้น่นกน้่น จินพวกนี้เนี่ยมีคิวของมันอยู่มีคิวอยู่ตรงชายแดนฟ้าดุนเนียเพื่อที่จะคอยไปรับฟังข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในในในท้องฟ้าบนท้องฟ้านนี่คือมะก้อยมะก้อยก็คือเหมือนเก้าอี้เหมือนที่ที่ประจําเลยไม่ใช่ว่าแค่ไปครั้งครราวครั้งครา ว, รราวไม่ใช่อยู่ประจําเลยอยู่ประจําตรงนั้นเลยเพื่อที่จะเอามา นี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทําไมนะหมอดูจึงสามารถจะบอกเราบางทีบอกเพี้ยนบ้างมันมันอาจจะไม่ถูกทั้งหมดแต่มันก็มีส่วนที่แบบว่าเฮ้ยใช่ว่ะอ่าอย่างเงี้ยเวลาที่เราไปหาหมอดูใช่ไหมหมอดูมันก็จะบอกไปเรื่อยๆของมันเฮ้ยใช่ใช่ใช่ช่เราพอพอคืออาจจะไม่ค่อยใช่เท่าไหร่หรอกแต่เราก็ใช่ไว้ก่อนนะมีมีเหมือนนิดหน่อยราะว่ามันรับรับข่าวมาจากนะรับข่าวมาจากพวกยิงพวกนี้ ไม่ใช่เรืเ่องแปลกเลยเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจนะก็บอกว่ามวีวิธีการของพวกหมอผีหมอดูพวงนี้เนี่ยมันจะมีสูตรมันจะมีส ม, มาการของมันเวลาที่มันจะมาหลอกเรามันจะถามก่อนว่าถามข้อมูลก่อนสักประวัติก่อนหมอดูก็มีการซักประวัติด้วยใช่ไหมเวลาที่เราไปหาไอ้พวกเนี่ยจะมีสูตรไสยศาสตร์ของเขามันจะมีถามว่ามะชื่ออะไรบางทีก็ถามอ่ามันจะมีถามเพราะาอะไรฮะ เรียกว่าเป็นรหัสลับเป็นรหัสลับที่จะส่งซิกให้กับสมุนชัตอนของมันเนี่ยไปล้วงข้อมูลจากชัตอนอีกตัวหนึ่งพี่ต้องใช้รหัสลับกันก่อนว่าสื่อสารกันเข้าใจจะได้รู้ว่าอ่อโค้ดโค้ดนี้โค้ดอะไรจะได้ให้จัดข้อมูลมาได้ถูกต้องอันนี้คือเป็นโค้ดของของยินนั้นระวังให้ดีนะครับมันจะถามแบบแปลกจะถ า, ถามนู่นทางนี่มันจะมีนะครับเอาสุบินแะหละเปนตอย่ เพราะว่ายินพวกนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างนี้นะครับคนพวกนี้ยิงพวกนี้มันจะรับข้อมูลแล้วก็มามาจ่ายข้อมูลให้กับคนที่เป็นทาสของมันในโลกดุนยาจากพวกพวกมนุษย์ด้วยกันเองฟนเยสต์มิลอายจิดละหูชีฮับราดะอัลลอฮ์าะอมันึงยุคของท่านน บ, บีมฮมหมัดสัลลัลลอฮสัลลัมไอไอไอคิวพวกเนี้ย คิวที่พวกยินพวกนี้เคยนั่งอยู่เนี่ยอาไวะะะ้แตลาหรือหมดไม่มีละถึงยุคที่ต้องหรือละนะหรือคิวหมดเลยนะยึดหมดเละนะใครที่ไปนั่งอยู่ในยุคของท่านนาบีมุฮัมมัดเนี่ยก็จะปรากฏว่ามีดวงไฟมาทำลาชิฮานรสอสวดะนะครับก่นะอนหน้านั้นเราเคยหาที่บนท้องฟ้าเพื่อรับฟังข่าวสารต่างๆของมันแตว่าตอนนี้ ใครก็ตามที่พยายามจะขโมยฟังเขาก็จะปุ๊ามีดวงไฟที่คอยจะเผาเขาให้ไหมและเสียหายในสององค์การนี้เป็นการตอบโต้การกล่าวอ้างของพวกนักเสศาสตร์และนักเป่ามนุ์ทั้งหลายที่ได้อ้างว่าพวกเขารู้เรื่องเร้นลับและได้หลอกลวงเหลา่าผู้เบาปัญญาด้วยการโกหกและอ้างเท็จของพวกเขานะเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อพวกหมอดูพวกนักเวทพวกที่ นักเดาทั้งหลายนะพวกนักศัยศาสตร์ทั้งหลายที่นะครับข้อละบาทุลอุลมามะนักต a f s i บังส่วนอธิบายว่าจริงๆแล้วไอ้การเผาหรือว่าไอ้ดวงไฟที่มันมีอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะในยุค ข, ของท่านนาบีเท่านั้นก่อนหน้ายุคท่านนาบีก็มีแล้วแต่ไม่ได้เข้มงวดไม่ได้เข้มข้นเหมือนกับตอนที่ท่านนาบีถูกแต่งตั้งให้เป็นรัสูล แต่ไหมอื่นก็เคยมีแล้วแต่ว่าไม่เยอะแต่พอมาถึงยุคของท่านนาบีสุลต่านซันลัลลลลมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันป้องกันไม่ให้ไม่ให้อายจินพวกนี้เนี่ยมันมาก่อกวนหรือก่อความอะไรเขาเรียกตอฟิตรนะให้กับบรรดาชาวโลกให้กับบรรดามนุษย์ทั้งหลายนะครับมีรายงานนะครับที่บอกว่าหรือว่ามีการทับซีดนะครับแม้กระทั่งจำไม่ได้ละประมาณว่า เอาเป็นว่านะครับข้อสรุปของมันก็คือว่าที่เราได้รับบทเรียนก็คือพวกจีนพวกนี้ถามว่ามันมีข้อมูลอยู่ในมือจริงไหมมันมีข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับสิ่งที่เราไม่รู้แล้วมันมาอ้างบอกว่ามันรู้เนี่ยถามว่ามันมีไหมมีแต่ไม่ทั้งหมดไม่ใช่จริงทั้งหมดโกหกซะเยอะอาจจะเป็นข้อมูลเก่า อาจจะเป็นข้อมูลเก่าในยุคก่อนที่มันเคยขโมยมาได้แม้กระทั่งตอนที่มันขโมยมาได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่ารู้รู้ทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าชัดเจนทั้งหมดอาจารย์เงี่ยวหูฟังแบบชัดบ้างไม่ชัดบ้างแล้วก็เอามาเล่าเอามาส่งต่อให้กับคนที่รักข่าวก็ชัดบ้างไม่ชัดบ้างเหมือนกันเห็นภาพอบอกไหมคือไม่ใช่ว่าชัดร้อแล้วก็เอามาเล่าชัด100ชร้อเป็นต์เหคลุกคล้าวันหมดระหว่าง ของของที่โกหกกับของจริงเพราะฉะนั้นตัดปัญหาเลยถ้าเป็นพวกหมอดูทั้งหลายพวกนี้ตัดไปเลยครับระวังให้ดีนะมันอตอรฟันมันอตคาินันอะอรฟันฟซัละท่านนบบีบอกว่าใครก็ตามที่เข้าไปหาหมอดูหรือนัก ส, สาศาส์ก็ได้แล้วไปเชื่อเนี่ยแต่เราจะไม่รับการงานของเขาเป็นเวลา4ี่วัน เป็นเร ahu, mm. uh? ื่อที่อันตรายมากถึงขั้นชีริกได้อุบิลายนะอ่อายัดต่อไปนี่เป็นเรื่องที่พวกยินได้บอกให้เรารับทราบวอนยังเกี่ยวข้องอยู่นะครับสามอายัดนี้วอนลนดีอัชรอูรีดบิมุงฟิลอรีอัมอาราดบิิมรบบมรชดทิงพวกเราเรายินทั้งหลาย ไม่รู้ว่าอัลลอฮฺประสงค์จะประทานความช่วยชั่วร้ายหรือความดีและทางนําแก่คนบนหน้าแผ่นดินนี้หมายความว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยเหตุการณ์มันปกติเหตุการณ์ปกติก็คือคือหมาถึงยังไงเหตุการณ์ปกติก็คือสามารถที่จะขึ้นบนท้องฟ้าไปเอาข่าวสารอะไรได้แต่อยู่ๆนะอยู่มาวันหนึ่งกลับมีเหตุการณ์ที่พวกจิ้นเองก็งงว่าไอ้มันเกิดอะไรขึ้น เหตุการณ์ที่มีการคุมอย่างเข้มงวดอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่ปกติแน่นอนมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่แน่พวกยินก็รู้มันต้องมีอะไรเกิดอัลลอฮฺอะลาประสงค์จะให้เกิดอะไรขึ้นแน่แคือตอนนั้นยังไม่รู้ไงว่าท่านนาบีเนี่ยถูกแต่งตั้งให้เป็นรอซูลและแต่พวกยินมันก็ตั้งสมมติฐานของมันเอาไว้แล้วว่าที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่อัลลออะลัยฮิาลฺไม่ปล่อยให้พวกยินไปเอาข่าวสารจากท้องฟ้าได้ครั้งนี้เนี่ย ไม่ดีก็ต้องเลวไม่ดีเหมือนที่ว่าถ้าอลตาตลาไม่ต้องการให้เกิดเรื่องที่ดีก็แสดงว่าอล า, ลาตาลาต้องการให้เกิดเรื่องที่หายนะกับชาวโลกแต่ปรากฏว่าเราทำด้วยละถ้าอลาตลาทำอย่างนั้นเนี่ยปรากฏว่าเหตุผลหรือต้นเหตุที่ทําให้อลสาสบอลตาลาปิดกั้นพวกยินไม่ให้รับข่าวสารจากท้องฟ้านั้นเป็นเรื่องดีหรือว่าเรื่องเลวครับ เป็นเรื่องดีรอดมันเลยเป็นเรื่องดีนั่นก็คือการที่พระองค์ทรงแต่งตั้งนบีคนหนึ่งขึ้นมาโมฮัมหมัดซอลลัลลอฮุอะเลาะห์ซันละตอนนั้นพอเกิดเหตุการณ์แบบนันุ้พวกยินมั น, ม น, มนอะไรก็เถอะเกิดเกิดความโกลาหลขึ้นเกิดความอลรร่านกันขึ้นในบรรดาพวกยินก็เลยเข้าไปรายงานเข้าไปรายงานกับหัวหน้าของพวกมันก็คืออิบลิสละนะทุลลอฮีอ่อาเละอิบลิสก็เลยสั่งการไปเลย สั่งให้ไปกระจายนะดาวนะกระจายกระจายไปทั่วแผ่นดินแล้วก็ไปเอาไปเอาดินมาบางรายงานบอกไปเอาดินมาแล้วก็เอามาเอากลับมาให้มันจะมันจะอะไรก็ได้มันจะดมกลิ่นวันลอว่าอะไรนะครับว่ารายงานนี้ขนาดไหนแต่ว่าอิบลิสจะดมกลิ่นจนกระทั่งมีจินกลุ่มหนึ่งเนี่ยเอาเอาเอาดินมาให้อิบลิสมันดมกลิ่นแล้วมันก็รู้ว่าเนี่ยไปทิมมะกาบอกไปทิมมะกา แล้วก็ก็เกิดเหตุการณ์ที่จินกลุ่มนี้ที่ไปที่มักกะเนี่ยไปเจอกับท่นานนบีสุลต่านละห์ลละลละในขณะที่ท่านกําลังละหมาดอยู่นะครับจริงๆแล้วการพบปะของท่นานนบีกับจินเนี่ยอย่างที่เราเรียนมาแล้วนะครับมีหลายครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวไม่ใช่เฉพาะที่ต่ออิสพรั้งเดียวแม้กระทั่งบางรายงานบอกว่าตอนที่ท่านนบีละหมาดที่กะบะเองยินก็เคยมาฟังนะครับเพราะฉะนั้นอัลลาาอฮ์ของอาลัมว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้มันเป็นครั้งไหนแต่จะบอกว่า พวกยินพวกนี้สุดท้ายพอมาฟังท่านนบีอ่านอัลกุรอานก็เกิดศรัทธาขึ้นมาเกิดศรัทธาขึ้นมาก่อนหน้านี้อาจจะไม่รู้เรื่องอาจจะเป็นกาเฟตอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่สุดท้ายก็เกิดศรัทธาขึ้นมาวนะ่าวเอาันนกกัก ص นนว่ามนนั้นโดยนั้นน้นนั้นนั้นนั้นนั้นนั้นนั้นนั้นาั้นนั้นนั้นนั้นนั้นนั้นนั้นนั้นนั้นนั้นนั้นนั้นนั้นนั้นนั้นนั้นนั้นนนนั้นนั้นนั้นนั้ เนี่ยหลักฐานชัดเจนว่ายินก็มีทั้งยินมุกมินกับยินกาเฟรเป็นคนดีกับคนที่ไม่ดีนะครับมีกระทั่งยินที่เป็นเป็นอะไรมีมัสฮับด้วยนั่นย <laughs> ินอ่ะเดี <c oughs> <c oughs> <c oughs> <đ> ๋ยวผมมีตัฟซีนนะครับในในเนี่ยของของอินกสัสทรนะครับถ้าเราไปดูในตัฟซีอิน ร, ร, น, น, ร, รนี่จะมีเรื่องเล่า นะครับเป็นรายงานที่ถึงอัลอามะชนะครับที่ได้บอกว่าทาราวะฮอิเยนานจินนี้ก็คือมีเหตุการณ์ที่ว่าอัลอามะชเนี่ยอาจจะมีจินมาเจอหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็ไม่เข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมดแต่บอกว่าคือไปสนทนากับจินนะครับบุุตอาามมิ له, ัย อ่านะนะคนคนก็ถามยินว่าพวกเจ้านี่ชอบกินอะไรเรารู้หรือเปล่าว่ายินชอบกินอะไรฟอกก็อ่าอยากจะรู้ไหมยินชอบกินอะไรฟอกก็ล้อัลอาลุยินก็ตอบว่าอาหารที่มันชอบกินก็คือข้าวชอบกินข้าวข้าวสารหรือว่าข้าวอะไรข้าวสุกว่าข้าวสารน่ะ ท่าเล่ ينا หุม bih ปก็มันกนกวเลยเอาข้าวมาให้นะครับให้กับพวกจินฟะเจ้าเล่ฟะเจ้าเล่ตูอาระลุข้อนะฮะทุรวลาดแล้วเราก็เห็นว่าข้าวมันมันมันลอยขึ้นโดยที่ไม่เห็นคนไม่เห็นมือที่ก็คือจินกําลังกินข้าวอะเห็นแต่ข้าวที่ลอยแต่ว่ารูปจินนี่ไม่เห็นฟะคุนตูฟีคุมมินฮะี่ฟังดีอันนี้อันนี้จุดนี้ฟังให้ดี ฟังว่าทามนี้ก็คือว่าในหมู่พวกเจ้าเนี่ยมีเหมือนกับสังกัดกลุ่มต่างๆแบบมนุษย์ด้วยหรือเปล่าอ๋ออาวะก็คือหมายถึงสมัยนั้นมันจะมีกลุ่มบินอะนักกลุ่มที่ออกนอกเส้นทางของอัลุอฮฺสุลต์นะหรือไม่ มากมายใช่ไหมครับในสมัยสมัยอดีตสมัยนี้ก็มีมีทั้งคอวาเรชมีทั้งรอฟิดะมีทั้งอ่าจัมเนียก็มีอะมนุษย์ใช่ไหมมีกลุ่มไอ่ไอ่เจ็ดสิบสามพวกอะไรก็ว่าใบของพวกมนุษย์อะทีนี้อุลามาะคนนี้ถามจินว่าในหมูจ่จินเองเนี่ยมีแบบนี้ไหมมีเป็นกลุ่มมีเป็นอ่าอะไกดะแบบนี้ไหมนะฮะมีวะฮบี มีจิงหามีด้วยว่าอะไรประมาณนั้นนะครับยินตอบว่ายังไงกอละน้ำมีเหมือนกันมีสุบฮานอัลลอฮ์และอิลลัลลอฮ์และอิลลัลลอฮ์แล้วเขาก็ถามต่ออันนี้คําถามนี่เด็ดมากคําถามสุดท้ายนี้เด็ดมากเขาถามต่อว่ายังไง فقالت فمن رافضة ف ي ุม พวกชีอะห์รอฟิดดในหมู่พวกเจ้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างละะไก็มันมีไงก็ต้งถามลต้ลงเป็นยังไงมางเดี๋ยวดูดูพวกยินมันตอบว่าอย่างไงนะก็ลชรุาอัลลอสุบฮานัลลอฮ์นะจินตัวนี้ตอบว่าชีอะห์ในหมู่พวกเราเนี่ยเป็นพวกที่แลวที่สุดในหมู่พวกเราแล้วเอากมัน นะครับในหมู่จินมันก็เร็วในหมู่มนุษย์มันก็ไม่แพ้กันนี่คือแม้ผมอยากจะคืออยากจะเล่าให้ฟังว่ามันถูกพูดถึงในธรรมสิริอุตคศนะครับพวกจิงชีอะมันมีนั่นแหละจินชีอะก็มีไม่แปลกเลยนะครับที่ชีอะจะเล่นกับจินแล้วก็มาทําร้ายมนุษย์ที่เป็นในะใครที่บอ่่อยู่ชีอะดีๆแล้วจะออกมาเป็นซุนนีอะไรอย่างเงี้ยมันมีเหตุการณ์ที่ว่าพวกชีอะมันส่งจินไปรบกวนอะไรไม่น่ากปกติ มีจริงๆนะครับมีจริงๆนะครับมีถ้าใครอยากจะรู้ก็หลังไมคก็แล้วกันนะครับมีเหตุการณ์น่งถ้าอยากจะพู้นะแต่จะบอกว่านี้คือ وأن من الصالح ومن دون ذلك มีทั้งอะไรนะพวกเรานี่มีทั้งคนที่ซอนหลยจินที่ซอนแลยแล้วก็มีทั้งคนที่เป็นกุนตรออิก็ ทีด่ดานะก่อนหน้านี้พวกเราก็มีหลากหลายมสาสอบรออีกนะที่ด่ดาเป็นพวกเหมือนกันบางทีมันอาจจะทะเลาะกันด้วยโดยทางปะะัจจุบันและอละัรเราเป็นอีกโลกหนึ่งซึ่งเรานึกนึกออกว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าแต่าละสร้างได้นะครับท่านน บ, บีมูฮัมมัดสลัดละฮ์สัลลัมถูกส่งมาให้กับทั้งอสสิ่งใดก็คือทั้งจินและกรทั่งมนุษย์ด้วยนะครับ وأنا ظننا ألا نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا لف arrowfang ا ل ق ر آ พวกจีนมันบอกว่าและแท้จร yup, <il> <k ali> ิงเราเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์นั้นทรงพระเดชานุภาพเหนือพวกเราแต่เราไม่อยู่เราอยู่ในการควบคุมและอำนาจของพระองค์ดังนั้นเราจึงไม่มีวันหลุดพ้นไปจากพระองค์อัลลอฮ์ได้หากพระองค์ประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใดแก่เราเราย่อมไม่มีความสามารถที่จะรอดพ้นจากการลงโทษของพระองค์ ไปยังฟากฟ้าได้เพราะองค์ทรงประสงค์ให้เกิดสิ่งที่ชั่วร้ายกับเราพวาหมายในะอัตนี้นะครับหลังจากที่ยินพวกนี้ฟังอัลกุรอานก็เกิดความรู้สึกมั่นใจว่าอัลลอ์มีอำนาจอัลลอ์สามารถจะทำทุกอย่างกับกับพวกเขาได้ไม่ว่าในโลกนี้จะอยู่จะไปหลบอยู่ที่มุมไหนก็ไม่สามารถที่จะหนีพ้นไปจากคาว่าอจสเนี่ย และ่นุ่จิซูนุ่นจซฮูเนี่ยขอให้เรานึกถึงโจรกับผู้ร้ายไอ้ อ, อะไรนโจรกับตำรวจผู้ร้ายกับตำรวจในโลกดุนยาเนี่ยบางทีผู้ร้ายเนี่ยอาจจะอาจจะเจ๋งกว่าตำรวจใช่ัหมครับตำรวจไล่ผู้ร้ายจนกระทั่งตำรวจเหนื่อยนะมันมีไหมมาถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นโจรที่มันเก่าเก่าหน่อยเนี่ย แวรุ่งที่มันแว้นหน่อยใช่ไหมเวลาที่ตำรวจมันไล่เนี่ยเวลาที่เราดูในหนังเนี่ยโจรจะชนะตำรวจตลอดเลยใช่ปะโจรที่มันแสดงเป็นพระเอกเป็นโจรเดี๋ย ว, ว่าแสดงเป็นพระเอกเวลาที่มันขับรถเนี่ยตำรวจทันไหมไม่ทันตำรวจนี่อะไรอ่ะจนกระทั่งตำรวจนี่หมดแรงก็คือโจรทําให้ตำรวจหมดแรงแต่อายัดเนี้ยเนี่ยมันเป็นไ ม, ไม่ได้บอกว่า <c ười> คืออยากจะให้เห็นภาพให้ใกล้ชัดเจนนะครับ พวกจินเนี่ยมันยอมรับว่ามันไม่สามารถที่จะทําให้อัลลอฮ์สุบฮาวต้าลานั้นเที้ยงคล้ําในการที่จะไปลงโทษหรือจะไปจับหรือจะไปทําอะไรกันแล้วแต่ไม่มีเลยไม่มีสิทธิ์อัลลอฮ์ต้าลาลไม่ว่าจินพวกนี้จะไปหลบอยู่ที่ไหนอัลลอฮ์ต้าลาลก็สามารถที่จะไปหาได้หรือไปจัดการได้ที่ไหนก็เถอะอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าจินพวกนี้มันสามารถจะไปทุกแห่งในโลกนี้ ในสมัยยุคสุเลย์มาเนี่ยมันสามารถที่จะดำน้ำลึกๆได้มันสามารถที่จะไปอยู่บนภูเขาไปอยู่ที่ที่มนุษย์ไม่สามารถจะไปถึงนี่มันไปถึงหมดแต่มันก็ยอมรับว่าไม่ว่ามันจะไปอยู่ที่ไหนมันไม่สามารถที่จะหนีรอดพ้นจากการลงโทษของโลกสุภาธรรมได้ถ้าสมมุติว่าในโลกนี้นี่มันไม่มีที่จะให้อยู่แล้วมันต้องการที่จะหนีไปโลกไปอีกไปบนชั้นฟ้าเนี่ยถ้าราบาหมายความว่าหนีหนีขึ้นท้องฟ้าเนี่ยหนีได้ไหม นี่ไปไหนอ่ะท้องฟ้าก็ของ Allah ดุนยานี้ยนั้ภาษาอะไรกับดุนยาดุนยานี้ก็เล็กนิดเดียวท้องฟ้านี่ใหญ่กว่าขนานดะขนาดใหญ่กว่าดุนยามันก็หนไปไม่พ้นเหมือนกันแล้วอีกอย่างหนึ่งจินพวกนี้ไม่สามารถที่จะทะลุท้องฟ้าไปได้นะครับในสุรุตุรราะห์แมนนะเจ้าละตาลรบอกไม่ว่าใครไม่สามารถจินเองก็ไม่สามารถจะไปถึงดาวอังคารไม่มีนะครับไม่สามารถที่จะไปได้เจ้าละตาล์ไม่อมุมัดไม่ไปถึงนะแค่แค่โลกแค่ฟ้าชั้นดุนยาแค่นั้นเอง นะครับอัลลอฮฺเราเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พวกนี้ยอมรับพวกยินพวกนี้มาสอนเรานะครับมันไม่สามารถจะนีและนกักภาษาใดกับมนุษย์มนุษย์ซึ่งไม่ได้มีความสามารถพิเศษเหมือนกับยินพวกนี้ยิ่งไม่มีความสามารถนะครับที่จะหนีพ้นจากอัลลอฮฺเพราะฉะนั้นต้องสำเนีบนะ่ต้องเจียมตัวต้องยอมรับในพระเดชานุภาพของอัลลอฮฺสุชานหา์อัลใจละ وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا แต่ said, <shouting arcade> แท้จริงเมื่อเราได้ฟังอัลกุรอานแล้วเราก็ได้ศรัทธาต่ออัลกุรอานแล้วเราได้ยืนยันว่ามันเป็นความจริงจาก Allah และใครก็ตามที่ศรัทธาผู้ใดที่ศรัทธาต่อเพราะผู้พิพากษาของเขาแล้วไซต์แท้จริงเขาก็จะไม่กลัวว่าความดีงามของเขาจะขาดตกบกพร่อง และไม่กลัวว่าพระองค์จะทรงอธรรมกับเขาด้วยการเพิ่มความเลวร้ายของพระองค์ให้กับเขาอันนี้เขาเรียกว่าผลจากการศรัทธาอพระคัม์นี้กําลังสอนเราให้เราเข้าใจว่าคนที่ศรัทธาจะได้รับอะไรกับคนที่ไม่ศรัทธาเนี่ยความรู้สึกแม้กระทั่งความรู้สึกเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันคนที่ศรัทธาต่อหรอกกับคนที่ไม่ศรัทธาต่อหรอกความรู้สึกมันไม่เหมือนกันเลยคนที่ไม่ศรัทธาต่อหรอกเนี่ยความรู้สึกของเขาจะกังวลไปหมด จะนึกสับสนไปหมดแต่เมื่อไรก็ตามที่เขาศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบต า, ตาลเขาจะทราบทเขาจะสบายใจไม่มีอะไรที่จะทำให้เขากังวลต่อไปเขาทำดีเล็กน้อยเพียงไหนก็จะได้รับการตอบแทนจากอลัลลอสุบัยอต า, ตาลอันนี้สำหรับคนที่ศรัทธาเท่านะั้นและสิ่งที่เขาทำผิดทำบาปอลัลลอต่าลจะไม่ทรงอัรรม หมายความว่าถ้าทําบิดทําผิดหนึ่งอรัตอลาจะไม่ลงโทษสองหรือสามหรือสี่หรือห้าหรือหกหรือสิบไม่ทําผิดหนึ่งก็หนึ่งไม่มีการเพิ่มไม่มีการเพิ่มโทษผิดเท่าไหร่ก็เท่านั้นในขณะที่ในเรื่องของผลละบุญอรัตอลาไม่มีวันลดผลละบุญของเขาเด็ดขาดและความหมายที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือนะครับนี่เป็นความหมายที่นักตัปซีดบางท่านได้บอกว่า ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะต้องไปแบกรับโทษของคนอื่นว่ละต่จิรุว่าจิรตุนวิโสโอครอเราไม่ต้องไปแบกรับโทษของคนอื่นอันนี้คือความรู้สึกหลังจากที่เราสัาตย์ท่าอัลลอฮฺซุลฮานาวัตไสฺลาในขณะที่ผลที่เป็นรูปธรรมที่เราเห็นชัดเจนนะแฟมันยุมิมบิรับบีฟลายคอฟบัซันวาลาลาฮกะหมายความว่าความดีงามต่าง จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราศราัทธาโดยที่เราไม่ต้องมานั่งอะไระเขาเรียกอุตตรจริตคนที่มีความศรัทธาเนี่ยเาคนที่มีความศรัทธาถึงขั้นระดับยักีนเชื่อมัน่นต่อลวรรคต่ลเขาจะไม่วมิตตรจริตใดใดทั้งสิน้นริสกีชีวิตความตายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาสิ <c oughs> ความตายก็เป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับคนสศรัทธาต่อ a l l อะไรก็แล้วแต่จะเป็นเรื่องเล็กน้อยทั้งหมดสําหรับเขาอันนี้คือความดีที่เขาจะได้เจออนอกจาก น, นอกจากที่เขาจะได้รับริสกีเพิ่มขึ้นเจ้ารัตตะเราจะใหะ้ความดีงามต่างๆที่เาลตาตะลาไม่ประทานให้กับคนที่ไม่ศรัทธาต่อพระองค์แล้วเนี่ยความรู้สึกนี่ผมว่าสําคัญที่สุดความรู้สึกของหัวใจอะ่ะก่อนที่เราจะได้เห็นเป็นรูปธรรมก่อนเนี่ยความรู้สึกของหัวใจของเราเนี่ย มันคนละแบบกันเลยบางทีเราก็ไม่ไม่ไม่เข้าถึงนะไอความรู้สึกแบบนี้เนี่ยเราไม่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้เพราะอะไรเพราะเราไม่เคยอยู่ในความกูฟอร์มาก่อนมากสุดเราอาจจะเคยอยู่ในความเละเทะก่อนที่เราจะได้รับพิดญาญาตให้เป็นคนดีแต่เราไม่ถึงขั้นที่ว่าอยู่ในความกูฟร์มาก่อนความแตกต่างระหว่างชีวิตในสภาพที่เราอีกสภาพหนึ่งสภาพกูฟร กับสภาพศรัทธาเนี่ยเราเข้าไปถึงกพเราเป็นมุขมินมาตั้งแต่เด็กอาจจะมีสภาพเล็กๆน้อยๆสมัยที่เราเคยเป็นพวกเด็กเกเรไม่เคยละหมาดอาจจะมีบ้างเล็กน้อยแล้วตอนนี้กลับมาเป็นคนดีก็อาจจะเห็นความรู้สึกบ้างแต่ไม่เหมือนกับคนที่เคยอยู่ในสภาพกูฟอมาก่อนแล้วเปลี่ยนเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเขาจะมันหน้ามือกับหลังมือเลย ความรู้สึของเขาจะหน้ามือเป็นหลังมืแล้วเขาก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนว่าชีวิตของเขาเป็นยังไงอันนี้แหละคือความหมายของอายะนี้เฝมั น, นยุบมินบิรัตพิหีเฝลยาอูบัซนบันในแง่ของการบกพร่องผล บ, บุญต่างๆนี่ไม่บกพร่องแน่นอนเวลารอฮะกะเวลารอกก็คือไม่ต้องไปแบกรับความผิดหรืออะไรต่างๆอัลอลอฮฺจะไม่อธรรมจนกระทั่งเราต้องมานั่งทุกข์ใจอีกเป็นอันขาด ต้องกลับไปชกทวนดูนะครับว่าความรู้สึกของเราเป็นอย่างไรระหว่างสภาพของอิมันต่ำๆกับอิม ا นสูงๆเนี่ยในขณะที่เราเป็นมุมินเนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะครับอัลล์ผมว่าบทเรียนพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความล้ำค่ามากนะพวกจินมาเล่าให้กับมนุษย์อย่างพวกเราได้ฟังเนี่ยต้องขอบคุณอัลลอฮ์สุลตานอัลตะอละนะที่เราให้ได้เราได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆในอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งมันไม่มี นะมันไม่มีเล่าในในคสอนของคนอื่นนะนอกจากคำสอนของล้องสุภาวตแล้วคำสอนของนบีมุ ص ل الله ع ي ه وسلم นะได้แค่นี้แหละอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮอัลลอฮอลฮัอลลฮอัลลออลออลอลลลัลลลฮอลอัลอล